การนั่งภาวนา น, ะนั่งทําความรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่งอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูนะนั่งไปยังไม่ได้เวลาเห็นนั่งบางคนจะหลับแล้วต้องรู้สึกตัวไม่บังคับเอาแค่รู้สึกเนละไม่เคลิมไม่บังคับ รู้สึกไปอย่างใจสบายๆจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรนะรู้สึกไปสบายๆเดี๋ยวเขาสงบเขาเองนั่งสบายๆใจหนีไปคิดรู้ทันเนาะไม่ปล่อยให้เคลิม้มนั่งไปนะใจหนีไปคิดรู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้ใจไปคิดก็รู้นั่งเรารู้ทันใจ นั่งแล้วถ้าโมหะแทรกเข้ามานะรู้ทันว่าโมหะแทรกเข้ามาถ้ามันจะซึมนะหายใจแรงขึ้นนิดนึงนะหายใจแรงขึ้นสักเพือกสองเพลอกแล้วก็หายใจปกติถ้ามันฟุง้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านการนั่งสมาธินะมันลำบากตรงให้มันสมดุลเนะีถ้าไม่เคลิมไปเลย หรือไม่เพ่งไว้แรงๆนะก็ฟุ้งซ่านไปอย่าไปกลัวมันทำใจสบายๆอย่าไปน้อมอย่าไปบังคับให้สงบสงบก็สงบของเขาเองอได้เวลาแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้วนะค่อยๆออกอย่ารีบรลอดพลาดออกมานะรีบรพลาดออกมาจะปวดหัว ปกติถ้ามันเข้าสู่ความสงบนลจิตป็นถอนของมันเองก็ค่อยออกมาแต่ถ้าเรามีทุระจําเป็นจะต้องออกเร็วๆนะอย่าไปฝืนใจให้ออกนะหายใจให้แรงขึ้นนลยทำความรู้สึกตัวนะหายใจให้แรงขึ้นเอาหายใจให้แรงขึ้นหน่อยอากาศเยอะที่นี่นะออกซิเจนเยอะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาบางคนถ้าจะไม่ยอมลืมอีกแล้ว อา้าวตื่นได้แล้วได้เวลาแล้วให้หลวงพ่อสอนนั่งสมาธินะโอ้ยสบาย <laughs> นั่งทีหนึ่งสามชั่วโมงก็ได้เนาะ <laughs> ใช้ได้นะพวกเราลองนั่งกันดูจุดสำคัญเลยของการจะทำสมาธิไม่ขาดสติหลายคนเลยไปคิดว่าสงบเนี่ยต้องลืมเนื้อลืมตัวไปขาดสติ ถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเราจําหลักให้แม่นนะหลวงพ่อเคยทำผิดมาก่อนมีอยู่บางช่วงตอนเด็กๆ เ, เราสังเกตว่าเวลาจิตสงบนะั้นมันคล้ายๆมันตัดความรับรู้ข้างนอกออกไปเราก็จงใจเลยไม่รับรู้ข้างนอกนะ้นน้อมใจปไปอย่างนีง้ก็ตัดค่อยๆตัดความรับรู้ไปนะแล้วก็ เสร็จแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็ซึมได้ที่เลยไม่เอาเลยเสียเวลาถ้าจะนั่งแล้วหลับนะี่ไปนอนซะดีกว่าสงบกับหนละับเนวคนละเรื่องกันเวลาที่จิตรวมจิตสงบจริงๆนะไม่ขาดสตนะิรู้สึกตัวตลอดสายของการปฏิบัตินยะไม่ขาดสตนะิถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเม่นั้นนั้นะสติสาคัญมากนะโวกเรา โดเฉพาะคนที่มาเข้าคอร์สบางคนติดสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิซึมๆมาก่อนถ้าเมื่อไรจิตซึมเรื่องซึมไปนะจิตนิ่งๆทื่อๆซึมๆเบลเบลเออๆอจิตอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศ ล, ลต้องมีสติมีความปรัดเปรียวว่องไวอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตรู้สึก จิตที่เป็นกุศลนะั้นมีความเบาถ้าหนักๆขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอนสังเกตไหมพอเราคิดถึงการภาวนาพอเราเริ่มภาวนาจิตหนักๆนึ ก, นกออกไหมถ้าภาวนาปุ๊บจิตหนักปั๊บนะี่ยรู้ทันนะจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วมากุศลตัวไหนมันโลภมันโลภอยากดีพอมันไม่ดีอย่างใจมันก็โกรธโมโหยิ่งเค้นยิ่งบังคับยิ่งบีบ ขันจิตใจตัวเองงั้นจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะมีน้ําหนักขึ้นมาจิตที่เป็นกุศลมันจะเบาแล้วจิตที่เป็นกุศลมันจะนุ่มนวลถ้ามันแข็งแข็งนะกระด้างกระด้างนะอันนั้นเป็นอกุศลแน่นอนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยศึกษาเรื่องของจิตการศึกษาเรื่องของจิตเรียกว่าจิตตะศิขาถ้าไม่มีจิตตะศิขาแนละ้วเราแยกไม่ออกด้วยซ้ํำไปว่าจิตอะไรเป็นกุศลจิตอะไรเป็นอกุศล เรากลับไปหลงสร้างอากูสโรจิตขึ้นมานะคิดว่า น, นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไปสร้างอากุศโขึ้นมามันจะไปปฏิบัติอะไรนะไมันไปสร้างเตรียมสร้างพบสร้างภูมิที่เร็วๆรออยู่ข้างหน้านั่งแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆนะก็เตรียมไปเป็นเป็นตัวอะไรฟุ้งสร้าเนเดระฉานนั่งแล้วก็ซึมกระเทิมหงอยหงอยเงือ้องเงืง้อ ง, งเป็นตัวอะไรก็เดระฉานอีก นั่งเราเครียดเป็นตัวอะไรสันนรกนั่งเราเครียดเป็นตัวสันนรกนั่งเราก็อยากไปเรื่อยอยากสงบไปเรื่อยเป็นตัวอะไรเป็นเพลิดนั่งเราคิดไปเรื่อยทํายังไงจะดีวันนี้ทํายังไงจะดีวันนี้ต้องเอาดีให้ได้เป็นตัวอะไรโอ้เก่งเนาะชะลอยจะเวียนตายเวียนเกิดมามาก แม้แทนที่จะนั่งสมาธิทั้งทีนะจะให้มันได้บุญได้กุศลด้านไปนั่งเกิดอกุศลนะเพราะอะไรเพราะไม่มีจิตศิกขาไม่เคยเรียนว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลต้องเรียนนะจิตศิกขาเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆเลยก็คืออะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอันที่สองกุศลชนิดไห น, นทําไปเพื่อความสงบกุศลชนิดไหนทําไปเพื่อให้เกิดปัญญา เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องเหล่านี้นักปฏิบัติธรรมที่ล้มลุกคลุกคลานนะเพราะไม่เคยเรียนเรื่องจิตบางคนได้ยินบอกให้ดูจิตดูจิตนะปฏิเสธเลยบอกไม่ดูจิตจะดูกายต้องดูกายก่อนพูดกับคนละเรื่องพูดกันคนละขั้นตอนไปได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าเบื้องต้นนะดูกายสุดท้ายไปแตกหักกันที่จิตอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเบื้องต้นต้องมาดูกายอนั้นท่านพูดในขั้นการเจริญปัญญาแต่วันนั้นก็พูดตามประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ไม่ตรงพระไตรปิฎกไม่ตรงอัถกถาที่เดียวหรอกเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ บ, ต บ, ตบางส่วนการศึกษาเรื่องจิตมันมีก่อนถึงการเดินปัญญาก่อนจะเดินปัญญาต้องศึกษาเรื่องจิตก่อน ควรจะเดินปัญญาด้วยการรู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือรู้ธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเะฉะนั้นต้องเรียนเรื่องจิตก่อนบทเรียนที่1ศีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตตสิกขาบทเรียนที่3ปัญญาสิกขาตรงที่ชอบพูดกันว่าเอากายก่อนกายก่อนเป็นเรื่องของปัญญาสิกขาคนส่วนมากไม่รู้มากเปล่านะไม่มีการทําสถิติแต่ว่าแต่ก่อนๆ น, นะดูกายกันมาก สำนักที่ดูกายมีเยอะแล้วที่หลวงพ่อสอนว่าดูจิตดูจิตเนี่ยจะมุ่งมาที่จิตตรศิขานะเพื่อให้เกิดจิตที่เป็นกุศลเพื่อให้เกิดจิตที่มีความสงบเพื่อให้เกิดจิตที่มีความพร้อมแก่การเดินปัญญาเนี่ยที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยมุ่งตรงนี้พัฒนาจิตเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะไปเดินปัญญา เราจะเตรียมความพร้อมของจิตที่ไปเดินปัญญาได้อันแรกเลยต้องรู้ว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลไม่งั้นเราไปหลงสร้างจิต ท, ที่เป็นอกุศลขึ้นมาแล้วเอาจิตที่เป็นอกุศลไปเดินปัญญาหรือเราไปนั่งสมาธิได้แต่ความสงบจิตที่สงบนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลแต่ไม่ประกอบปัญญาไม่เอาไว้ใช้เดินปัญญาเอาไว้พักผ่พอไปนั่งก็สงบไปงั้นพวกนี้จะไม่เดินปัญญาไม่มาต้องมาคุยเรื่องเดินปัญญาเลยนะ จิตที่เป็นกุศลที่ใช้เดินปัญญานะที่หลวงพ่อชอบเรียกว่ามันตื่นแล้วตื่นแล้วนะจิต ท, ที่ตื่นจิต ท, ที่รู้จิต ท, ที่ตื่นจิต ท, ที่เบิกบานจิตตัวนี้แหละเป็นกุศลที่จะใช้เดินปัญญาได้จิต ท, ทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้เสื่องซึมผู้หงอยเหงาผู้นิ่งนิ่งเฉยเฉยผู้เพลิดเพลินในความสุขความสงบไม่ใช่ผู้หลงเตลดเิดเปิดเปิงฟุ้งซ่าน จะเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้ต้องตื่นคำว่ารู้เป็นไงรู้แปลว่าไม่ได้เผลอไปไม่ได้คิดไว้ตื่นหมายถึงไม่หลับไปมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่รู้จิตที่ตื่นนะั้นมีความเบิกบานแช่มชื่นอยู่ในตัวเองมันจะมีความเบามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนนะมีความปราดเปรียวว่องไวนใจิตที่เป็นกุศลนะแล้วก็พร้อมจะเดินปัญญา มันจะถอนตัวออกมาจากปรากฏการ์ทั้งหลายถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเนี่ยที่จาจีจาชัยว่าให้เรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตเพื่อจะมาสู่จุดนี้เมื่อเราได้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงขั้นเดินปัญญาคราวนี้ก็ดูเอาใครถนัดรู้กายเป็นวิหารธรรมก็รู้กายไปถ้ารู้ถูกต้องจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิต คนไหนถนัดรู้เวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็รู้เวทนาเนืองเนืองไม่ใช่รู้เวทนาอย่างเดียวรู้เนืองเนือรู้กายก็รู้กายเนืองเนืองท่านไม่ได้รู้ตลอดเวลานะท่านใช้คาว่ารู้เนืองเนืองเวลารู้กายเนืองเนืองกบางทีก็รู้กายรู้กายเป็นหลักไว้แต่ถ้ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตก็รู้จิต รู้เวทนาเนืองเนืองไม่ใช่ดูแต่เวทนามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวขึ้นมาก็รู้สึกนะรู้จิตาาจตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาไม่ใช่แปลว่าการดูจิตจิตตานุปัสสนาถ้าดูให้ดีมันคือดูจิตตสังขารนะดูตัวจิตตสังขารคือความปรุงของจิตนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูรู้ว่าหดหูนี่ท่านสอนจิตตานุปัสสนานะจริงๆให้ดูจิตสังขารความปรุงของจิตให้ดูตัวเหล่านี้ งั้นที่จําจีจําฉัยนะเพื่อจะให้เรามีจิตที่พร้อมกับการเดินปัญญาบางครั้งเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นแล้วมันเหนื่อยมันล้าลงมาก็ทําจิตที่เป็นกุศลชนิดพักผ่อนทําสมาธิเอาไว้พักผ่อนทําสมถะพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะมายกระดับจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นขัน เห็นกายเห็นใจเห <ๆ S 2> ็นรูปเห็นนามทั้งหลายทํางานไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนฮะ้ยเดินปัญญาเรื่องการเดินปัญญาก็มีสิ่งที่ต้องเรียนเยอะแยะนะในเรื่องจิตก็ต้องเรียนเยอะแยะเลยอันแรกต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลากุศลนะให้ชํานานต่อมาก็ต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลที่เป็นแค่ความสงบสมถะอย่างเดียวกนะับจิตที่เป็นกุศลที่พร้อมจะเจริญปัญญาสองอันนี้ไม่เหมือนกัน จิตที่สงบอย่างเดียวเนี่ยวิธีฝึกก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตแสบใส่ไปหาอารมณ์น้นทีหนึ่งอารมณ์นี้ทีหนึ่งจนะฝึกให้จิตสงบพาะหาอารมณ์ที่จิตพอใจมาเป็นเหยื่อล่อใครพุทโทแล้วสบายใจพุโทโธไปใครรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็รู้ลมหายใจไปใครรู้ท้องพองยุบแล้วสบายใจรู้ท้องห่องยุบไป รู้ไปด้วยใจที่สบายใจที่มีความสุขมันจะสงบเองถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์บรรไดจิตจะพอใจอยู่ในอารมณ์ น, นั้นไม่วิ่งซ่านไปจับอารมณ์น้นทีอารมณ์นี้ทีการที่จิตวิ่งซ่านไปจับอารมณ์น้นทีอารมณ์นี้ทีนะั้เพราะจิตมันไม่มีความสุขมันเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์เร่ไปแนะม้เคล็ดลับของการทําสมถะอยู่ตรงนี้ทําไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนนะ ได้พักผ่อนพักผ่อนตลอดการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมไม่ได้คนละเรื่องกันเลยไม่มีการพักผ่อนเลยไปได้ไหมไปแบบทุรนทุรายทุเล็ทุเล็เออทุรัทุเลนีไม่ดีดอกไปแบบแห้งแล้งกัดดานลําบากยากเข็นเกินไปงั้นถ้าทําได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดทําจิตที่เป็นกุศลที่ใช้พักผ่อนก็เป็นทําจิตที่เป็นกุศล ที่พร้อมกับการเจริญปัญญาก็เป็นถ้าทำได้อย่างนี้ดีที่สุดเลยนะบอกแล้วจิตที่เป็นกุศลที่เอาไว้พักผ่อนนะหาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตต้องสำรวจตัวเอง<ม>เรารู้อะไรอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนและมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์ันนั้นแต่ต้องดูว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะถ้าเป็นอารมณ์อกุศลนินทาชาวบ้านแล้วมีความสุข ามจริงดินทาคนอื่นมีความสุขไหมมันนะมันนะไม่มันไม่เมาได้ทั้งวันหรอกนะถามว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะมันฟุ้งซ่านนึก อ, ออกไหมมันฟุ้งซ่านแสดงว่ามีโมหนะเแล้วทำไมมีความสุขมีโมหะอยู่มีความสุขความสุขเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตได้เพราะฉะนั้นะจิตที่มีความสุข ในตอนนินทาเขาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นโลภะโลภะมูลจิตนะนี่ไม่เรียนนะก็เซิร์ๆเว้ตายเลยภาวนาลม้มลุกลุกลครานะลรู้หลักแล้ ง, ง่ายนิดเดียวเลยหลวงพ่อนะั้นแทบเขอะหัวตัวเองเลยภาวนามาพอสมควรแล้วนะเป็นนั่งอ่านปริยัติอ่านาภิธรรมอะไราเงี้ยโอ้โหเราทาไมเราไม่อ่านซะก่อนวะนี่ภาวนาจะง่ายกว่านี้เยอะเลย แต่มันนึกอีกทีนะถ้าเราไปอ่านก่อนเราคงไม่ภาวนาเพระคงอ่านไปเรื่อยแล้วมันคิดไปเรื่อยๆแต่พอภาวนาเป็นนะแล้วมาอ่านโอ้โหสะใจมันรู้เลยว่าที่ท่านสอนไว้นะเป๊ะๆ เ, เ, เลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียนเฉยๆนะมันไม่เห็นสภาวะตีความเพียนออกไปอีกสุดท้ายก็ตีความนั่นแหละเพราะว่าไม่เห็นสภาวะของจริงในภาวนาไม่รอดนะถ้าเห็นสภาวะของจริงแล้วก็ไปอ่านอนะพิธรมาอะไรโอ้โห เก่งนะรักษาสืบทอดเข้ามาได้บางส่วนเพี้ยนมีไม่ใช่ไม่มนะีอย่างอธิบายเรื่องโลกเรื่องอะไรเนี่ยคนะลาดเคลื่อนไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าทัานเทศจะเป็นนักปรารุ่นหลังมาแต่งเสริมขึ้นมาเพื่อจะตอบคําถามของคนช่างคิดว่ า, าศาสนาพูดจะได้ตอบได้ทุกเรื่องซึ่งมันไม่จําเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นงดงามอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรารู้นะว่าถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแล้วไม่ยัอ่อกิเลสนะ จิตจะเป็นกุศลขึ้นมาสงบมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเมื่อก่อนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนะนั่งภาวนาโห้ฝึกกันนานที่แท้ง่ายนิดเดียวเลยนะจิตยอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบนั่นแหละแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะมีความสุขมีความสงบขึ้นมางั้นจิตจะเป็นโลภะนิ้พามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะทํำยัำยงไง จิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้คิดจิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้คิดจิตของเราคิดทั้งวันนึกออกไหมคิดทั้งคืนไหมเกือบทั้งคืนคิดทั้งวันไหมเกือบทั้งวันแล้วตอนไหนที่ไม่ได้คิดตอนลงผวังเลยการคืนก็มีลงผวังนะกลางวันก็ลงผวังนะเราชอบไปแปรผวังมั่วๆไปอีกนะเช่นนั่งสมาธิเราก็นย่านังน่งเลย มาตกระวังโถเอ้ยตกหมอนอสิคนละเรื่องเลยนะชอบมั่วชอมั่วถ้าจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมานะให้รู้ทันจิตที่เป็นผู้คิดจิตไหลไปคิดเมื่อไหร่รู้ทันจิตไหลไปคิดเมื่อไหร่รู้ทันนะจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้อันนี้สอนแบบโลบรัตนะถ้าสอนให้ครอบกลุมให้หมดนะหลวงปู่ดูลสอนว่าจิตส่งออกนอก จินสกอ่องนอกคือส่งไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่งไปทางตาส่งไปดูทําได้อย่างเดียวส่งไปดูส่งไปทางหูทําได้อย่างเดียวส่งไปฟังส่งไปทางใจทําได้เยอะแยะเลยเผลอไปคิดก็ได้ใช่ไหมจงใจคิดก็ได้เผลอไปเพ่งอยู่ก็ได้มีสติอยู่ก็ได้ถ้ามีสติก็ไม่เรียกเผลอละทางใจนี่ทำงานได้สารพัดเลย ทั้งดีก็ได้ทั้งชั่วก็ได้ทั้งสุขก็ได้ทั้งทุกข์ก็ได้เนะงินปรุงตลอดเวลาถ้าจิตหลงไปทำงานทางใจแล้วไม่รู้ทันหลวงปูดูลเรียกออกนอกเหมือนกันนะงั้นอย่างบางทีเราเห็นสภาวะไหวยิบยับขึ้นกลางหน้าอกนะเราไปถลําลงไปดูที่กลางหน้าอกหลวงปูดูลเรียกออกนอกแล้วนะออกนอกแล้วงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไป หลวงพ่อมองว่าถ้า เ, เรียนทั้ง6ทวาร น, น, น, นะเรียนยากเรียนยากจิตหลงไปจิตไหลไปทางไหนมากที่สุดหลายทางใจมากที่สุดไหลายทางใจไหลไปทําอะไรมากที่สุดไหลไปคิดไหลไปคิดมากที่สุดไหลไปเพ่งมากไหมนะสําหรับคนติดสมถะไหลไปเพ่งมากแล้วคนทั่วๆไปไหลไปคิดมากนะ เพราะเราคอยรู้ทันตัวที่เกิดบ่อยจิตไหลไปคิดนี่แหละส่งออกนอกบ่อยที่สุดแหละซูมตัวอย่างมาเรียนนะแต่เลือกตัวอย่างที่มันเกิดบ่อยที่สุดเลยงั้นคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้พอรู้ทันว่าหลงไปคิดจิตก็ขึ้นมาเป็นผู้รู้ความจริงจิตหลงไปได้ทุกถาวรทางตาหลงไปดูแล้วลืมตัวเองทางหูหลงไปฟังแล้วลืมตัวเองลืมตัวเองเช่นยังไงได้ยินคนเขาด่า ใจโกรธขึ้นมาไม่รู้ว่าโกรธ ถ, ถือว่าลืมตัวเองละนี่ยเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วแถเนี้ยเราถึงขั้นของการเดินปัญญาตรงนี้แหละที่ชอบเถียงกันว่าสายกายสายจิตสายอะไรต่อไรไม่มีสายอะไรหรอกใครถนัดอะไรเอาอย่างนั้นมีคําสอนที่ผิดผิดอยู่อันนึงที่บอกว่าสติปัฏฐานเนี่ย เหมือนประตูสี่ชั้นเข้าที่หนึ่งสองสามสี่เข้าไปในเมืองเมืองนี้ได้นะอาธรกถฐาไม่ได้บอกงั้นในคัมภีร์ต่างๆไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกสติปัฏฐานเหมือนประตูสี่ทิศนะสด้านนะเข้าประตูใดประตูหนึ่งนะก็ถึงพระนิพพานไดนะ้จริงไม่จริงมีตัวอย่างนะพระอ น, นุนะในคัมภีร์สอน ไ, ได้ในพระไตรปิฎกบอกไว้ พระนนท์นะยังราตรีสุดท้ายให้ร่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมากบอกอย่างนี้นะรู้กายเป็นส่วนมากนะแม้ถ้าตามที่เราเชื่อเชื่อกันขั้นสุดท้ายต้องมาดูจิตอย่างเดียวละพระนนทนะ์คืนสุดท้ายนะัที่แตกหักเป็นพระอรหันต์ขึ้นมารู้กายเป็นส่วนมากใครรู้เวทนาแล้วเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรรู้เวทนาใครรู้จิตแล้วเป็นพระอรหรันต์ พระนุรุตรานุรุตใครรู้ทำรรมานุปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหรันต์พระพุทธเจ้าความรจริงแต่ละอย่างแต่ละอันนะมีหลายองนะไม่ใช่มีองเดียวหรอกหลักฐานมันมีอยู่นะไม่ใช่ลงมาที่เดียวอย่างชี้ขาดต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สมัยก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่ได้มาสั่งเลยว่าให้ไปดูกาย ครูบาาจารย์แต่ก่อนท่านแตกฉานจริงๆนะท่านดูว่าคนไหนเหมาะกับอะไรก็อวันนะั้นแหละนี่เราจะดูได้ยังไงว่าเราเหมาะกับอะไรเหมาะกับการรู้กายหรือเหมาะกับการรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็นะต้องดูตัวเองถ้าเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะรู้กายรู้เวทนาเป็นหลักไว้เป็นวิหารธรรมนะถ้าเราเป็นคนช่างคิด ชอบใช้เหตุใช้ผลเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นก็ให้ดูจิตกับธรรมานุปัสสนาไว้ให้ใช้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาแล้วมันจะแยกกันอย่างหนึ่งเรียกตันหาจริตตันหาจริตมุคลักสุคลักสบายรักสวยรักงามดูกายดูเวทนาเพราะกายกับเวทนาจะสอนให้เห็นไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามดัดนิสัยโดยตรงเลย พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมาดูธรรมานุปัสนากับจิตานุปัสสนาสองอันจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกคิดมากจิตนี่กลับกรอกกลับกรอกย่อกย้อนนะตามรู้ตามดูมันไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรนะดูเข้าไปซื่อๆเลยจะเห็นเลนกระทั่งจิตตัวเองนะเสียหมดเวลาเมั่เสียงหายไปหมดแะ ไม่ได้เอาผ้าพันคอมาเสียงพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมันดูจิตใช้จิตตาอนุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเพราะมันแสดงความปรับกรอกแสดงการว่ากูไม่เก่งจริงหลอกกูบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างนะจิตใจวักแวกวักแ ว, วกแวบังคับได้ไหมที่นึกว่ากูแน่กูแน่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะั่งเจอของจริงเข้าจ่อย หาคนชั่วเท่านี้หายากแล้วนะไม่ใช่กูเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะไม่ใช่กูแน่กูหนึ่งต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละถึงจะถูกต้องอย่างนี้เลยต้องทีไรผิดทุกทีเลยเนื่อที่พวกเราพาวนารู้สึกไหมทําอย่างเงี้ถูกหร้อมปลาถูกสองวันแล้ ว, วนนะผิดอีกแล้วทําอะไรก็ผิดหมดเลยไม่ทําผิดมากกว่าเรื่องระวังนะเนี่ยเราต้องเรียนนะสิ่งเหล่านี้ดูนิสัยตัวเอง แล้วคำว่าวิหารธรรมไม่ได้แปลว่ารู้อย่างเดียววิหารธรรมหมายแปลว่าบ้านบ้านของจิตเวลาไม่มีอะไรทำมาอยู่บ้านเวลามีธุระออกไปทำงานบางคนใช้กายเป็นวิหารธรรมหมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจนะก็รู้กายไปไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาทางใจก็รู้กายเป็นพื้นฐานมานี่เรียกว่ารู้แบบเป็นบ้านการรู้กายนะั้นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่น เห็นไหมมีจิตเป็นคนดูเห็นกายทํางานมีจิตเป็นคนดูสุดท้ายก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ใช่รู้อันเดียวนะที่บอกดูกายดูกายเอาอะไรไปดูเอาจิตไปดูเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตตัวจิตเราได้มาตั้งแต่ในขั้นบทเรียนชื่อจิตสิทธิ์าแล้วจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดนะูบางคนเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมไม่ใช่ดูแต่เวทนาถ้าจงใจดูแต่เวทนาก็คือการเพ่งเวทนา ถ้าจงใจดูกายอย่างเดียวก็คือการเพ่งกายไม่ใช่บ้านแต่เป็นคุกจงใจดูจิตอย่างเดียวก็คือการเพ่งจิตก็ไม่ได้เอาจิตเป็นวิหารธรรมไม่ได้เอาจิตเป็นบ้านแต่จิตจะเป็นคุกที่กลายเป็นบังคับไม่ให้ไปทาอย่างอื่นออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวลงว่าต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยไม่ใช่บ้านนะแต่คือคุกแล้วเราไม่ได้เอากายเป็นคุกนะไม่ได้เอาเวทนาไม่ได้เอาจิตไม่ได้เอาธรรมานุปัสสนาเป็นคุก เรามาเป็นบ้านเป็นบ้านหมายถึงว่ามีธุระออกไปได้อย่างเราเอาจิตตาโนปัสสนาเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมสมัยหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้สึ ก, ต, กตื้นเกินรู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกว่ามันตื้นมันแคบจิตนี้มันหลากหลายมันวิจิตพิสดารใช้จิตเป็นวิหารธรรมรู้สึกสนุกใจมีฉันทะที่จะรู้มีวิริยะที่จะรู้ มีจิตตะคือความจดจ่อที่จะรู้มีวิมังสาใคร้ครวนครวเคล้าเคลียร์อยู่กับการรู้จิตนะใช่ไหมมีอิทธิบาทอยู่กับการรู้จิตแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้กายนะเราเห็นเลยว่าเมื่อตามองเห็นจิตเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงจิตเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลินได้รสกายสัมผัสจิตเปลี่ยนเห็นไหมกายกับจิตเนื่องกันนะส่วนพวกดูกายละ่ะถ้าจิตเปลี่ยนกายจะเปลี่ยน กายนั่งอยู่จิตสั่งให้ยืนขึ้นมานะกายก็ยืนขึ้นมาแม้มันเนื่องกันอย่างนี้นะมันไม่ใช่ดูกายก็เห็นแต่กายไม่รู้หรอว่ากายเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งนะดูจิตไม่รู้หรอว่าจิตเปลี่ยนแปลงเพราะกายเหมือนกันเนะพราะตากระทบหูกระทบแมะมันเนื่องกันนะเพียงแต่อะไรเป็นหลักเท่านั้นเลยถ้าไม่รู้อย่างอื่นก็มารู้สิ่งที่เป็นวิหารธรรมของเราวิหารธรรมเลือกมาจากนิสัยของเราเอง คนไหนมีตัณหารจริตใช้กายหรือเวทนาเป็นวิหารธรรมทำไมมีสองอย่างกายดูง่ายเวทนานั้นละเอียดกว้างกวางกว่ า, วาถ้าอินทรีย อ, อนหน่อยดูกายไปเลยเอากายเป็นวิหารธรรมถ้าเป็นพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมีกรรมฐานสองอันคือจิตาาาาจตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาละเอียดลึกซึ้งกว่า งั้นก็เราเของง่ายๆดูความเปลี่ยนแปลงดูความปรุงแต่งของจิตไปนี่บางคนมาเถียงหลวงพ่อนะบอกดูจิตนั่นต้องไปดูตัวจิตไม่ใช่ดูสังขารว่าจิตตานุปัาสนาท่านสอนเรื่องจิตตสังขารทั้งนั้นเลยหลวงปู่ดูลบอกว่าดูจิตนั้นไปเพ่งจิตนะใช้ไม่ได้หรอกหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสัเพสังขารนะสังขารนะ สเพสสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นหมสอนให้ดูอะไรดูสัญญาดูสังขารเห็นไเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเลือกให้หลวงปู่ดูลแค่นี้หมดหรือยังยังไม่หมดความจริงเหลือเวทนาอีกตัว แต่หลวงปู่มั่นเห็นว่าหลวงปู่ดูลเอาแค่นี้พอแล้วก็พอจริงๆนะถ้าจะดูให้ครบถ้วนก็คือมีรู้เวทนาว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือตัวเจตสิกทั้งหลายนั่นเองไม่ได้ดูจิตตรงๆแต่ดูผ่านเจตสิกเพราะจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูจิตตรงๆมันว่างเปล่าไม่มีอะไรให้สังเกตร่องรอยได้เลย รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าภาวนายังไม่ถึงธรรมก็ไม่ถึงจิตเพราะฉ น, นพวกเราไม่มีหรอกจิตเพียวๆที่จะเห็นได้นะไม่มีเราไม่เคยเห็นตัวธรรมธาตุแท้ตัวธรรมธาตุตัววิญญาณธาตุแท้เราไม่เห็นเราเห็นแต่จิตแต่สังขารเห็นแต่จิตสังขารสังจิตสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาและเวทนาเนี่ยหลวงปูดูลนะัตจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเวทนาไม่จําเป็น ไม่ใช่คนที่ติดในเวทนาแต่ว่าฉลาดมากเนะี่ยสัญญามันปรุงขึ้นมาแล้วสังขารมันปรุงต่อหลวงปู่มั่นได้สอนตรงนี้นะันั้นถ้าเรารู้ปริยัตินะั้นเราจะได้ธรรมะที่ครอบคลุมทั้งหมดนะถ้าเราฟังจากนักปฏิบัติอย่างเดียวเราจะได้บางส่วนที่ท่านเคยทำนะแต่หลวงปู่ดุลไม่ใช่นะหลวงปู่ดุลเป็นพระที่แตกฉานเกินกว่าพระปกติความรู้ของท่านมหาศาล น่าแต่ว่าท่านจะเลือกให้ส่วนท่านสอนเราแค่นี้เราก็เรียนแค่นี้ก็จบแค่นี้เวลาเราไปสอนต่อเราไปสอนได้แค่เท่าที่เราเคยเรียนนะเรียนบอกแค่นั้นเองลูกศิษย์เราไปได้อีกส่วนหนึ่งสอบไปวิทยายุทธ ค, ค่อยๆหายแต่และรุ่นน้งค่อยเรียวเ ๆ, ๆีหายไปงั้นรู้ปริยัติบ้างก็ดีนะจะส่งจำพระธรรมวินัยไว้ได้ครบถ้วนหนเลยอย่าไปดูถูกปริยัตนะิของดีๆแล้วเลย อาเชิญไปทานข้าว